โตไทโอวาสของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตการปฏิบัติเป็นเครื่องยังพระสัตยธรรมให้บริสุทธิ์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าธรรมของพระธถาคตเมื่อเข้าไปประดิษฐานในสันดานของปุถุชนแล้วย่อมเป็นของปลอมทั้งสิน้นแต่ถ้าเข้าไปประดิษฐานในจิตสันดานของพระอริยเจ้าแลวไซ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 จึงฝึกผู้อื่นชื่อว่าทําตามพระพุทธเจ้าปุริสธรรมมสารติสัทธาเทวมนุษย์สารังพุทโธภควาสมเด็จพระบรมศ า, ศ า, ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรมานฝึกขัดพระองค์จนได้ตัดสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพุทโธผู้รู้ก่อนแล้วจึงเป็นภัควาผู้ทรงจําแนกแจกธรรมสั่งสอนเวนยสัตว์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 จึงเจริญเติบโตขึ้นมาได้ณนะเป็นาธาตุของมารดาโมเป็นาธาตุของบิดาฉะนั้นเมื่อาธาตุทั้งสองนี้ผสมกันเข้าไปไฟาธาตุของมารดาเขี่ยวเข้าจนได้นามว่ากลาละคือน้ํามันหย ด, ดเดียวณนะที่นี้เองปฏิสนธิวิ ญ, ญญาณเข้าถือปฏิสนธิได้จิตจึงได้ปฏิสนธิในาธาตุนโมนั้นเมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้ว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 กะละละก็ต้องทิ้งเปล่าหรือศูนย์เปล่าลมและไฟก็ไม่มีคนตายลมและไฟก็ดับหายสาบศูนไปจึงว่าเป็นาธาตุอาศัยข้อสําคัญจึงอยู่ที่ทาธาตุทั้งสองคือณนะโมเป็นดั้งเดิมในการต่อมาเมื่อคลอดออกมาแล้วก็ต้องอาศัยณนะมารดาโมบิดาเป็นผู้ธนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมา ด้วยการให้ข้าวสุกและขนมกุมม้งม้รเป็นต้นตลอดจนการแนะนําสั่งสอนความดีทุกอย่างท่านจึงเรียกมารดาบิดาว่าบุพพา j a n เป็นผู้สอนก่อนใครๆทั้งสิ้นมารดาบิดาเป็นผู้มีเมตตาจิตต่ตอบุตรทิดาจะนับจะประมาณไม่ได้มรดกที่ท่านทําให้กล่าวคือรูปกายนี้แหลเป็นมรดกดั้งเดิมทรัพย์สินเงินทองอันเป็นของภายนอก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 แล้วจึงทำกิริยาน้อมไหว้ลงภายหลังนะโมท่านแปลว่านอบน้อมนั้นเป็นการแปลเพียงกิริยาหาได้แปลต้นกิริยาไม่มูลมรดกนี่แลเป็นต้นทุนทาการฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนจนทรั์สำหรับทำทุนปฏิบัติมูลฐานสาหรับทาการปฏิบัตินะโมเมื่อกล่าวเพียงสองท่าเท่านั้นยังไม่สมประกอบ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 มโนปุปพังขามาธรรมมามโนเศรษ้าโนมยาทมทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจพระบรมศ า, ศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ทรงบัญญัติออกไปจากใจคือมหาฐานนี้ทั้งสิ้นเหตุนี้เมื่อพระสาวกผู้ได้มาพิจารณาตามจนถึงรู้จักมโนแจ่มแจ้งแล้วมโนก็สุดบัญญัติ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 พระอภิธรรมหกคำพีเว้นมหาปัฏฐานมีนัยะประมาณเท่านั้นเท่านี้ส่วนคำพีมหาปัฏฐานมีนัยะหาประมาณไม่ได้เป็นอนันตไนเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้รอบได้เมื่อพิจารณาพระบาลีที่ว่าเหตุปัจจโย น, นั้นได้ความว่าเหตุซึ่งเป็นปัจจัยดั้งเดิมของสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุนั้นได้แก่มโนนั่นเอง มโนเป็นตัวมหาเหตุเป็นตัวเดิมเป็นสิ่งสำคัญนอกนั้นเป็นแต่อาการเท่านั้นอารมณะจนถึงอวิคตะจะเป็นปัจจัยได้ก็เพราะมหาเหตุคือใจเป็นเดิมโดยแท้ฉะนั้นมโนซึ่งกล่าวผ่านมาแล้วก็ดีธีติภูตังซึ่งจะกล่าวต่อไปก็ดีและมหาเหตุซึ่งกล่าวในข้อนี้ก็ดีย่อมมีเนื้อความเป็นอันเดียวกัน พระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ดีรู้อะไรอะไรได้ด้วยทศพลยาณก็ดีรอบรู้สัพพายาธรรมทั้งปวงก็ดีก็เพราะมีมหาเหตุเป็นดั่งเดิมทีเดียวจึงทรงรอบรู้ได้เป็นอนันตนายแม้สาวกทั้งหลายก็มีมหาเหตุนี้แหละเป็นเดิมจึงสามารถรู้ตามคำสอนของพระองค์ได้ด้วยเหตุนี้แลพระอัสสชิเถระผู้เป็นที่ห้าของพระปัญจวัคคี จึงแสดงธรรมแก่อุปติสสะพระสารีบุตรว่าเยธรรมาเหตุปาพวาเตสั at ato, ่งเหตุงกะท่ากะโตเตสันจะโยนิโรโทจะเอวังวาดีมหาสมโนความว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุเพราะว่ามหาเหตุนี้เป็นตัวสำคัญเป็นตัวเดิมเมื่อท่านพระอัศชิเถระกล่าวถึงที่นี้คือมหาเหตุท่านพระสารีบุตร จะไม่อย่างจิตลงถึงกระแสธรรมอย่างไรเล่าเพราะอะไรทุกสิ่งในโลกก็ต้องเป็นไปแต่มหาเหตุถึงโลกุตระธรรมก็คือมหาเหตุฉะนั้นมหาปัจฐานท่านจึงว่าเป็นอนันตไงผู้มาปฏิบัติใจคือตัวมหาเหตุจนแจ่มกระจ่างสว่างโลแล้วย่อมสามารถรู้อะไรอะไรทั้งภายในและภายนอกทุกสิ่งทุกประการ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 แต่เมื่อถีติภูตังกอบด้วยวิชาจึงรู้เท่าอาการทั้งหลายตามความเป็นจริงนี่พิจารณาด้วยวุฒนาคามินีวิปัสนารวมใจความว่าถีติภูตังเป็นตัวการดั่งเดิมของสังสา ร, รวัตรการเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเมื่อจะตัดสังสา ร, รวัตรให้ศูนย์จึงต้องอบรมบ่มตัวการดังเดิมให้มีวิชา รู้เท่าทันอาการทั้งหลายตามความเป็นจริงก็จะหายหลงแล้วไม่ก่อการทั้งหลายใดๆอีกถิติภูตังอันเป็นมูลการก็หยุดหมุนหมดการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตด้วยประการชนี้อักคระฐานเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลนิพพานอักกังท่านังมนุษย์เซสุมรรคกังสุตตะวิสุทธิยาฐานะอันเลิศมีอยู่ในมนุษย์ ฐานะอันดีเลิศนั้นเป็นทางดำเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์โดยอธิบายว่าเราได้รับพรดกมาแล้วจากนโมคือบิดามารดากล่าวคือตัวของเรานี้แหลอันได้กำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นชาติสูงสุดเป็นผู้เลิศตั้งอยู่ในฐานะอันเลิศด้วยดีคือมีกายสมบัติวจีสมบัติและมโนสมบัติบริบูรณ์จะสร้างสมเอาสมบัติภายนอก คือทรัพย์สินเงินทองอย่างไรก็ได้จะสร้างสมเอาสมบัติภายในคือมรรคผลนิพพานธรรมวิเศษก็ได้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติพระธรรมวินยัยก็ทรงบัญญัติแก่มนุษย์เรานี้เองไม่ได้ทรงบัญญัติแก่ช้างม้าโคกระบืองที่ไหนเลยมนุษย์นี้เองจะเป็นผู้ปฏิบัติถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได้ฉะนั้นจึงไม่ควรน้อยเนื้อต่าใจว่าตนมีบุญวาสนาน้อย เพราะมนุษย์ทำได้เมื่อไม่มีทำให้มีได้เมื่อมีแล้วทำให้ยิ่งได้สมด้วยเทศนานยัอันมาในเวสันดรชาดกว่าธานังเทติซี่ลังรั ก, กติภาวนังภาเวตวาเอกัโจโสกังกัจฉติเอกจโจโมขังคัจฉตินิสั่งสยางเมื่อได้ทำกองการกุศล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 กายเป็นเครื่องก่อเหตุจึงต้องพิจารณาที่กายนี้ก่อนจะได้เป็นเครื่องดับนิวรณ์ทาใจให้สงบได้ณนะที่นี้พึงทาให้มากจเจริญให้มากคือพิจารณาไม่ต้องถอยเลยทีเดียวในเมื่ออุกขะนะนิมิตปรากฏจะปรากฏกายส่วนไหนก็ตามให้พึงถือเอากายส่วนที่ได้เห็นนั้นพิจารณาให้เป็นหลักไว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 ที่จะชำนาญได้ก็ต้องพิจารณาซ้ําแล้วซ้ําอีกณนะที่เดียวนั้นเองเหมือนสวดมนต์ฉะนั้นอันการสวดมนต์เมื่อเราท่องสูตรนี้ได้แล้วทิ้งเสียไม่เล่าไม่สวดไว้อีกก็จะลืมเสียไม่สําเร็จประโยชน์อะไรเลยเพราะไม่ทําให้ชํานาญด้วยความประมาทชั้นใดการพิจารณากายก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อได้อุกขหานิมิตในที่ใดแล้ว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 บ้านโน้นมีดินดำดินแดงเป็นต้นนั้นว่านั้นชื่อว่าพระหิดถาแผ่นดินภายนอกให้พวกท่านทั้งหลายมาพิจารณาอัจฉติกาแผ่นดินภายในกล่าวคืออัตภาพร่างกายนี้ให้พิจารณาไตรตรองให้แยบคายกระทำให้แจ้งแทงให้ตลอดเมื่อจบการวิสัชนาปัญหานี้ภิกษุทั้งห้าร้อยรูปก็บรุพระอรหัตตผล เหตุนั้นการพิจารณากายนี้จึงต้องเป็นของสำคัญผู้ที่จะพ้นทุกข์ทั้งหมดล้วนแต่ต้องพิจารณากายนี้ทั้งสิ้นจะรวบรวมกําลังใหญ่ได้ต้องรวบรวมด้วยการพิจารณากายแม้พระพุทธเจ้าจะได้ตัดสรู้ทีแรกก็ทรงพิจารณาลมลมจะไม่ใช่กายอย่างไรเพราะฉะนั้นมหาสติปัฏฐานมีกายานุปัสนาเป็นต้นจึงชื่อว่าชัยภูมิ เมื่อเราได้ชัยภูมิดีแล้วกล่าวคือปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานจนชำนาญแล้วก็ตรงพิจารณาความเป็นจริงตามสภาพแห่งาธาตุทั้งหลายด้วยอุบายวิปัสสนาซึ่งจะกล่าวข้างหน้าอุบายแห่งวิปัสสนาอันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลสธรรมชาติของดีทั้งหลายย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีมีอุปมา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 หาอะไรเปรียบเทียบมิได้เลยเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายจึงมาพิจารณาร่างกายอันนี้ให้ชำนิชำนานด้วยโยนิโสมนัสีการคือการพิจารณาโดยแยบขายตั้งแต่ต้นมาทีเดียวคือขณะเมื่อยังเห็นไม่ทันชัดเจนก็พิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งแห่งกายอันเป็นที่สบายแห่งจริตจนกระทั่งปรากฏเป็นอุคหนิมิต คือปรากฏส่วนแห่งร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็กำหนดส่วนนั้นให้มากจเจริญให้มากทำให้มากการจเจริญทำให้มากนั้นพึงทราบอย่างนี้ชาวนาเขาทำนาเขาก็ทำที่แผ่นดินไถที่แผ่นดินดำลงไปในขี้ดินปีต่อไปเขาก็ทำที่ขี้ดินนั้นเองเขาไม่ได้ทำในอากาศกลางหาว คงทำแต่ที่ดินแห่งเดียวข้าวเขาก็ได้เต็มยุง้งเต็มช้างเองเมื่อทำให้มากในที่ดินนั้นแล้วไม่ต้องร้องเรียกว่าข้าวเอ๋ยข้าวจงมาเต็มยุง้งข้าวก็จะหลั่งไหลมาเองและจะห้ามว่าข้าวเอ๋ยข้าวจงอย่ามาเต็มยุง้งเต็มช้างถ้าทำนาในที่ดินนั้นเองจนสำเร็จแล้วข้าวก็มาเต็มยุง้งเต็มช้างเอง โดยไม่ต้องสงสัยเลยชั้นใดก็ดีพระโยคาวจรเจ้าก็ชั้นนั้นคงพิจารณากายในที่เคยพิจารณาอันถูกนิสัยหรือที่ปรากฏมาให้เห็นครั้งแรกอย่าละทิ้งเลยเป็นอันขาดการทําให้มากนั้นมิใช่หมายแต่การเดินจงกรมเท่านั้นให้มีสติหรือพิจารณาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอน กินดื่มทำพูดคิดก็ให้มีสติรอบคอบในการอยู่เสมอจึงจะชื่อว่าทำให้มากเมื่อพิจารณาในร่างกายนั้นจนชัดเจนแล้วให้พิจารณาแบ่งส่วนแยกส่วนออกเป็นส่วนๆตามโยนิโสมนสีการของตนกระจายออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและพิจารณาให้เห็นไปตามนั้นจริง อุบายตอนนี้ตามแต่ตนจะใคร่ครวญออกอุบายตามที่ถูกจริตนิสัยของตนแต่อย่าละทิ้งหลักเดิมที่ตนได้รู้ครั้งแรกนั่นเถียวพระโยคาวะจรเจ้าเมื่อพิจารณาในที่นี้พึงเจริญให้มากทําให้มากอย่าพิจารณาครั้งเดียวแล้วปล่อยทิ้งตั้งครึ่งเดือนตั้งเดือนให้พิจารณาก้าวเข้าไปถอยออกมาเป็นอนุโลมปฏิโลม คือเข้าไปสงบในจิตแล้วถอยออกมาพิจารณากายอย่าพิจารณากายอย่างเดียวหรือสงบที่จิตแต่อย่างเดียวพระโยคาวาจรเจ้าพิจารณาอย่างนี้ชํานาญแล้วหรือชํานาญอย่างยิ่งแล้วคราวนี้แลเป็นส่วนที่จะเป็นเองคือจิตย่อมจะรวมใหญ่เมื่อรวมพับลงย่อมปรากฏว่าทุกสิ่งรวมลงเป็นอันเดียวกันคือหมดทั้งโลก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 เพราะของเหล่านี้มีอยู่มีมาแต่ก่อนพระองค์ดังนี้ได้ความว่าธรรมดาธาตุทั้งหลายย่อมเป็นย่อมมีอยู่อย่างนั้นอาศัยอาการของจิตเข้าไปยึดถือเอาสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นมาหลายพบหลายชาติจึงเป็นเหตุให้เป็นไปตามสมมุตินั้นเป็นเหตุให้อนุัยครอบงำจิตจนหลงเชื่อไปตามจึงเป็นเหตุให้ก่อพบก่อชาต ด้วยอาการของจิตเข้าไปยึดฉะนั้นพระโยคาวาจรเจ้าจึงมาพิจารณาโดยแยบคายลงไปตามสภาพว่าสัพเพสั่งฆาราอนิจจาสัพเพสังาราทุกขาสังขารความเข้าไปปรุงแต่งคืออาการของจิตนั่นแหลไม่เที่ยงสัตว์โลกเขาหากมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นให้พิจารณาโดยอริยสัจธรรมทั้งสี่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 จะใช่ตนอย่างไรของเขาหากเกิดมีอย่างนั้นท่านจึงว่าสัพเพธรรมาอนัตตาทาทั้งหลายไม่ใช่ตนให้พระโยคาวจรเจ้าพึงพิจารณาให้เห็นแจ้งประจักษ์ตามนี้จนทําให้รวมพึบลงไปให้เห็นจริงแจ้งชัดตามนั้นโดยปัจจักษ์ข้ิทธิพร้อมกับยาณสัมปยุตปรากฏขึ้นมาพร้อมกันจึงชื่อว่า พุท ธ, ธานคามินีวิปัสนาทำในที่นี้จนชานานเห็นจริงแจ้งประจักษ์พร้อมกับการรวมใหญ่และยานาสัมปยุตรวมทวนกระแสแก้อนุสัยส ม, มุติเป็นวิมุิหรือรวมลงถีติจิตอันเป็นอยู่มีอยู่อย่างนั้นจนแจ้งประจักษ์ในที่นั้นด้วยยานะสัมปยุตว่าที่นาจาติจานังโคติ ด, ดังนี้ที่นี้ไม่ใช่ส ม, มุิ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 คนผู้ปรารถนาวิมุตติธรรมแต่ปฏิบัติไม่ถูกหรือไม่ปฏิบัติมัวเกียดคร้านจนตัวตายจะประสบวิมุตติธรรมไม่ได้เลยด้วยประการชนิดจิตเดิมเป็นธรรมชาติใสสว่างแต่มืดมัวไปเพราะอุปกิเลสปะพัศ ร, รมิดังพิเกเวจิตตังตันจะโคอาคันตุเกหิอุปกิเลเซหิตอุปกิลิททั้ง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 ก็จะมีทวียิ่งยิ่งขึ้นทุกๆวันในเมื่อไม่สแสวงหาทางแก้ธรรมชาติของจิตเป็นของผ่องใสยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดแต่อศัยของปลอมกล่าวคืออุปกิเลส ท, ที่สัญจรเข้ามาปกคลุมจึงทำให้หมดรัศมีหลุดพระอาทิตย์เมื่อเมฆบดบังฉะนั้นอย่าพึงเข้าใจว่าพระอาทิตย์เข้าไปหาเมฆเมฆไหลามาบดบังพระอาทิตย์ต่างหาก ฉะนั้นผู้บำเพ็ญเพียรทั้งหลายเมื่อรู้โดยปริยายนี้แล้วพึงกําจัดของปลอมด้วยการพิจารณาโดยแยบไข่ตามที่อธิบายแล้วในอุบายแห่งวิปัสสนานั้นเถิดการทรมานตนของผู้บำเพ็ญเพียรต้องให้พอเหมาะกับอุปนิสัยในสารถีผู้ฝึกมา้ามีชื่อเสียงคนหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้า ทูลถามถึงวิธีทรมานเวนยักพระองค์ทรงย้อนถามนายสารถีก่อนถึงการทรมานมา้าเขาทูลว่าม้ามีสี่ชนิดคือ 1. ทรมานง่าย 2. งทรมานอย่างกลางสาทรมานยากแทส 4. ่ทรมานไม่ได้เลยต้องฆ่าเสียพระองค์จึงตรัสว่าเราก็เหมือนกัน 1. นผู้ทรมานง่าย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 จะทนทานได้เพียงไรแค่ไหน 4. ทรมานไม่ได้เลยต้องฆ่าเสียคือผู้ปฏิบัติทำจิตไม่ได้เป็นปะทะประมะพระองค์ทรงชักสะพานเสียกล่าวคือไม่ทรงสั่งสอนอุปมาเหมือนฆ่าทิ้งเสียฉนั้นความสำคัญของปฐมเทศนามัชิมเทศนาและปัจฉิมเทศนาพระธรรมเทศนา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 อันบันผชิตไม่ควรเสพขึ้นแสดงว่าดเวเมพิกเวอันตาปปาชีเตนะนาเซวิตับบาภิกษุทั้งหลายส่วนที่สุดสองอย่างอันบันผชิตไม่พึงเสพคือกามสุขันลิกานุโยกและอัตตะกิลมฐานุโยกอธิบายว่ากามสุขันลิกาเป็นส่วนแห่งความรักอัตตกิลมฐานเป็นส่วนแห่งความชัง ทั้งสองส่วนนี้เป็นตัวสมุทรไทยเมื่อผู้บำเพ็ญตะบรทมทั้งหลายโดยอยู่ซึ่งส่วนทั้งสองนี้ชื่อว่ายังไม่เข้าทางกลางเพราะเมื่อบำเพ็ญเพียงพยายามทำสมาธิจิตสงบสบายดีเต็มที่ก็ดีใจครั้นเมื่อจิตนึกคิดให้ฟุ้งซ่านรำคาญก็เสียใจความดีใจนั่นแลคือกามสุขันลิกาความเสียใจนั้นแล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 ในยามใกล้รุ่งจึงได้ถูกทางกลางอันแท้จริงทําจิตของพระองค์ให้พ้นจากความผิดกล่าวคือส่วนทั้งสองนั้นพ้นจากสมมุติโคตสมมุติชาติสมมุติวาดสมมุติวง์และสมมุติประเพณีถึงความเป็นอริยโคตอริยชาติอริยวาดอริ ย, ว, รยวง์และอริยประเพณีส่วนอริยสาวกทั้งหลายนั้นเล่า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 อุปโนโคเมโล ก, กธรรมจะเกิดที่ไหนเกิดที่เราโล ก, กธรรมมี8มรรคเครื่องแก้ก็มี8ดมรรคแเป็นเครื่องแก้โล ก, กธรรมแปดฉะนั้นพระองค์จึงทรงสแสดงมัชชิมาปฏิปทาแก้ส่วนสองเมื่อแก้ส่วนสองได้แล้วก็เข้าสู่อริยมรรคสัตยกระแสะโลกทําใจให้เป็นจาโคปตินิสโคมุติอานาละโย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 1,250 นรูปยหระราชอุทยานเวลุวันกลันทกนิวาประสถานกรุงราชคลึใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าอธิจิตเตจะอายโยโกเอตังพุท ธ, ธานศาสนังพึงเป็นผู้ทำจิตให้ยิ่งโดยความนี้อธิบายได้ว่าการที่จะทำจิตให้ยิ่งได้ต้องเป็นผู้สงบประงับอิจช่าโลภะสมาปโ น, โนสมโนกิงภวิสติ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 โดยอาการแห่งบริกรรมมศวนะคือพิจารณาโดยอาการคาดคะเนว่าส่วนนั้นเป็นอย่างนั้นด้วยการมีสติสัมปชัญญะไปเสียก่อนเพราะเมื่อพิจารณาเช่นนี้ใจไม่ห่างจากกายทำให้รวมง่ายเมื่อทำให้มากในบริกรรมมศวนณะแล้วจะเกิดขึ้นซึ่งอุกหานิมิตให้ชำนานในที่นั้นจนเป็นปฏิภาคชนานาญในปฏิภาคโดยยิ่งแล้ว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 เนื้อความในมัชิมะเทศนาจึงสำคัญเพราะเล็งถึงวิมุตติธรรมด้วยประการชนี้แหละปัจชิมโพธิการทรงแสดงปัตชิมมเทศนาในที่ชุมนุมพระอริยาสาวกณระราชอุทยานสารวันของมลรกษัตร์กรุงกุสินาราในเวลาจวนจะปรินิพพานว่าหันดาดานิอามันตยามิโวภิเกขเว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 ก็เป็นผู้สงบประงับถึงซึ่งวิมุตติธรรมด้วยประการชนี้ปัจจิมเทศานานี้เป็นคำสำคัญแท้ทำให้ผู้พิจารณารู้แจ้งถึงที่สุดพระองค์จึงได้ปิดพระโอษฐ์แต่เพียงนี้พระธรรมเทศานาในสามการนี้ย่อมมีความสำคัญเหนือความสำคัญในทุกๆ ก, การปฐมเทศานาก็เล็งถึงวิมุตติธรรมมัชฌิมเทศานาก็เล็งถึงวิมุตติธรรม ปัจจิมเทศนาก็เลงถึงวิมุตติธรรมรวมทั้งสามการแล้วล้วนแต่เลงถึงวิมุตติธรรมทั้งสิ้นด้วยประการชนี้พระอรหันตุกประเภทบรรลุทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตติอนาสวังเจโตวิมุตติงปัญญาวิมุตติงฤเทวะธรรมเมสยันอภิญญาสัชชิกัตะวาอุบสัมปัชวิหารติพระบาลีนี้แสดงว่า พระอรหันต์ทั้งหลายไม่ว่าประเภทใดย่อมบรรลุทั้งเจโตวิมุตติทั้งปัญญาวิมุตตที่ปราศจากอาสวะในปัจจุบันหาได้แบ่งแยกไว้ว่าประเภทนั้นบรรลุแต่เจโตวิมุตตหรือปัญญาวิมุตตไม่ที่เกจิอาจารย์แต่งอธิบายไว้ว่าเจโตวิมุตตเป็นของพระอรหันต์ผู้ได้สมาธิมาก่อนส่วนปัญญาวิมุตตเป็นของพระอรหันต์สุขาิปัสโก ผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆนั้นย่อมขัดแย้งต่อมักมักประกอบด้วยองค์8มีทั้งสัมมาทิฏฐิทั้งสัมมาส ม, มาธิผู้จะบรรลุวิมุตติธรรมจำต้องบำเพ็ญมักแปบริบูรณ์มิฉะนั้นก็บรรลุวิมุตติธรรมไม่ได้ไตรสิกขาก็มีทั้งสมาธิทั้งปัญญาอันผู้จะได้อาสวัขยญาณจำต้องบำเพ็ญไตรสิกขาให้บริบูรณ์ทั้งสามส่วน ฉะนั้นจึงว่าพระอาหารหันตทุกประเภทต้องบรรลุทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติด้วยประการชนี้